คําว่าปรับอินซีน์ก็หมายความว่าปรับตัวปรับตัวต่ําให้ขึ้นไปสูงไม่ใชป่ปรับตัวสูงลงมาต่ําเจริญพรใช่คือคําว่าปรับอินซีเ น, นี่ยนะถ้าคนเข้าใจในมิตรก็ไม่ยากละสมมุติถ้าหากว่าศรัทธาเราอ่อนไปทําไมจึงอ่อนแสดงว่าเจริญพุทธคุณเป็นต้นอ่อนอะ่ะเจริญหรือเอาพสูตรที่ที่ปลูกฝังศรัทธาเราไม่ค่อยเอาสูตรนี้มาตึกอะ่ะอันนี้แสดงว่าศรัทธาอ่อน ทีนี้ทํายังไงจะให้มีศรัทธาก็เจริญพุทธคุณหรือเอาพระสูตรที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามาคิดมากๆอันนั้นแหละศรัทธาก็จะมากขึ้นละทีนี้ถ้าปัญญาไม่ค่อยมากทําไมปัญญาจึงไม่ค่อยมากก็แสดงว่าไม่ค่อยปารบคําว่าขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทเลยปัญญามันก็เลยอ่อนไปหลังก็ไปเพิ่มไอความรู้อันนั้นขึ้นเอาเรื่องขันธ์าตุอายตนะที่เคยศึกษามาแล้วเนี่ยมาใส่ใจให้มากๆอันนี้ปรับแปลงยินซีแล้ว นะเพิ่มปัญญซีให้มากขึ้นถ้าวิริยะขาดแสดงว่าเอ๊ะไม่เด็กกลัวอาบายจริงๆนี่หนึ่งนะไม่เด็ ก, กลัวอาบายทุคติวินิบาตนรกไม่เด็ ก, กลัวทุกขที่ในอดีตนะในวัตฏะอันยาวไกลแ ล, ล้วที่จะมีในอนาคตทุกในปัจจุบันมีการสแสวงหาเป็นต้นหรือเราไม่เห็นอ น, นิสงส์ของความเพียรไม่ได้เอาตัวอย่างของผู้มีความเพียรเช่นพระโสนเป็นต้นเป็นตัวอย่างในความเพียรพยายาม ก็ต้องไปหาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรมาปรารบ ม, มากๆแล้วความเพียรก็จะค่อยๆเจริญขึ้นทีนี้ถ้าสมาธิละ่ะก็คือนิมิตกรรมฐานนั่นเองฉะั้นคนที่เจริญธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลนี้ไม่ใช่เจริญกรรมฐานเดียวแน่นอนอนั่นนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลก็สอนั้กรรมฐานทั้งหลายอย่า ง, างนั่นนะสอนอสุภาษกรรมฐานสอนพรหมมิหารสอน มรณานุสติสอนอาณาปานสติสอนเรื่องธาตุนะพระองค์นี้สอนกรรมฐานเยอะอยเพราะฉะนั้นไม่ได้เจริญกรรมฐานอย่างเดียวเป็นนั่นนะมันถ้าหากว่าสมาธิจะเกิดขึ้นก็ตารบที่นิมิตแห่งแห่งสมาธิเนี่ยนะก็คืออารมณ์ที่เป็นสมถะส่วนสติล่ะถ้าจะเพิ่มสตินี่เพิ่มที่ไหนสัมปชัญญะทั้งสี่ประการนี่ น, นะเพิ่มอย่างไร ขณะที่ก้าวไปถอยกลับเนี่ยนะจะไปจะมาเนี่ยไปทําอะไรมาทําอะไรปรารบเป็นต้นแล้วนะเอาเรื่องธรรมเอาวินัยมาสงเคราะห์มาจับลงว่าเพ่เอาการกระทําของเราการก้าวไปการถอยกลับการไปการมาของเราเนี่ยธรรมวินัยกล่าวว่าอย่างไรบ้างถ้าเราไปอย่างนี้ธรรมว่าอย่างไงถ้าเรากลับมาอย่างนี้ธรรมะว่าอย่างไงก็มาสอบสวนตัวเองใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเพิ่มพูนขึ้นจึงจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนศาสกะสัมปชัญญะ ทีนี้ทํามากขึ้นแล้วก็จะสามารถที่จะแยกแยะเรื่องส ป, ปายะเป็นต้นต่อไปอันนั้นเขาเรียกว่าเพิ่มสติหรือสตินสีนั่นเองสติ ป, ฐ า, ตปฐานสีด้วยเนี่ยนนะะสติปฐานสีหรือว่าเหตุให้เกิดสตินี่มีเยอะนะในนิเทศเนี่ยกล่าวไว้เหตุให้เกิดสติมากยกตัวอย่างเช่นหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติไปเกี่ยวข้องกับคนมีสติ หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งสติมาปารบให้บ่อยๆแล้วสติก็จะเกิดขึ้นแต่แต่เป็นที่น่าคิดนะว่าเอ๊พูดสูตรไหนก็ตามจะเข้ามงคลลสูตรข้อหนึ่งข้อสองอยู่ด้วยนะไม่ครบคนพานครบบัณฑิตนะนะถ้าอยากจะเจริญอินทรีย์ห้าทำยังไงชั้นต้นเลยหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีอินทรีย์ทั้งห้าก่อนนะนะหลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงก่อนข้อสองครบคนมีอินทรีย์ทั้งห้านั่นแหละแล้วก็ข้อ กลุ่มที่สามก็คือการพิจารณาพ ส, สูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีเจริญอินทรีย์ห้าก็คือหลีกเลี่ยงคนไม่มีอินทรีย์คบคนที่มีอินทรีย์ห้าแลวก็หาพ ส, สูตรเป็นที่ตั้งแห่งอินทะรีย์ทั้งห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าจะบริบูรณ์ด้วยอาการสิบนหะ้าเจริญไม่ยากนะแต่มันทำตามยากแปลว่าอะไรต่อไปนะ ความประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอกันนีนะความเพียรทางกายทางจิตจะต้องสมดุลกันนะเดินอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าสัพพากิจจะปรินายิกาแปลว่ากำหนดนำไปซึ่งกิจทางปวงนี่จึงจะเรียกว่านิปกะนิปกโกนนะจึงจะชื่อว่าคนฉลาดจริงๆเนี่ยนะแล้วพอศึกษาอย่างนี้นะ ใครมาว่าเราโง่นี่ของมาไม่รู้สึกตำเน่ไม่เกลียดเลยนะบอกว่าใช่ใช่ใ ช, ช่ไม่ค่อยฉลาดจริงๆอะไรถูกแล้เมื่อก่อนนี้มีมีท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านอะ่ะก็บอก ฟ, ฟุ้งฟุ้งซ่านก็ว่างั้นเออเรานี่มันฟังแล้วไม่ชอบใจเลยปฏิฆานนิมิตมันเกิดเลยตอนหลังเอเอใช่ใช่แหมอาจารย์ทําไมท่านรู้จังเลยมังกันเราฟุ้งซ่านจริงๆอ่างั้น คนที่มีปัญญาที่เป็นศาธตกาศสัมปชัญญะก็ต้องเป็นลักษณะนี้ด้วยนะก็ศาธกาศสัมปชัญญะกับสิ่งเหล่านี้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขยายคําว่าศาธกาศสัมปชัญญะให้พิสดารมากขึ้นนะโดยในชั้นของรายละเอียดได้นิปโกเลยนะคาถาเขามีว่างไงนะสีเลปฏิถยะ คำว่าสีเลปฏิทายะก็คือตั้งมั่นอยู่ในศีลก็คือตั้งมั่นอยู่ในจตุ ป, ปริสูที่ศีลอ่านโรสปัญโยก็คือนราผู้มีปัญญาคือมีปัญญาที่ตั้งแต่เกิดเลยนะสหาชาติปัญญาเนี่ยแล้วต่อไปอ่าจิตตังปัญ ญ, ญจะเนี่ยนะเจริญจิตและปัญญาอาตาปี มีความเพียรแล้วก็นิปโกะเหนะมีความฉลาดฉลาดนี่ฉลาดแค่ไหนก็คือฉลาดนายการกำหนดนำไปซึ่งกิจทุกอย่างนะจึงจะชื่อว่าคนฉลาดจริงๆแล้วต่อไปนะคำว่าภิกขุคำว่าภิกษุะนะอ่าด้วยการกล่าวลักษณะแห่งภิกษุโดยทั่วไปว่าชื่อว่าภิกษุเพราะว่าเห็นไัยนนะ นรัชื่อว่าภิกษุพระอว่าเห็นภายในสังสารวัฏเออเก่งน ะ, ะเขาบอกว่าตรงนี้นะดีกาท่านอธิบายว่าภิกษุนี้พราอัฏว่าเห็นภายดังนี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าความเป็นภิกษุมีด้วยการปฏิบัตินั่นเองอันนีเป็นภิกษุโดยข้อปฏิบัติหรือโดยความปฏิบัติหาใช่ด้วยความเป็นผู้ขอไม่ใช่เป็นภิกษุในยะแห่งพระวินัยนะพระภิกษุในยะแห่งพระวินัยก็คือขอแต่ขอเนี่ย ขอยังไงเอ่ยปากหรือเปล่าขอแบบพิสูจนถ้าบินธบาตก็ไปยืนให้เขาเห็นนะี่ยนะถ้าเขาเห็นแล้วเขาไม่ใส่เนี่ยแสดงว่าไปต่อได้เลยนะคำว่าขอก็คือไปยืนให้เขาเห็นนั่นแหละนะเวลาบินธบาติเป็นต้นนะนะต่อไปนะความเป็นผู้ใช้สอยแผ่นผ้าแผ่นผ้าอันฉีขาดเป็นต้นเนี่ยนะคือพระพิสูจน์เนี่ยจะใช้ผ้าผืนเดียวอย่างจีวอเนี่ยเป็นผืนเดียวทั้งแผ่นไม่ได้ต้องมาตัดตัดตัดเย็บเป็นกระทงเป็นอะไรครั้งหนึ่งกันมันก็เรียกว่าใช้แผ่นผ้าที่ขาดแนละ้ว ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นอันทํำการสงเคราะห์นี่นะก็คือเน้นเน้นทิศที่เป็นทิศโดยความปฏิบัติเพราะนั้นก็สงเคราะห์บุคคลทั้งหลายมีสัมมนเนรเป็นต้นนะสัมมนเนรบาศกอุบาสิกาเทวดาพรหมทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละผู้มีกิจอันทำแล้วและผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้ไม่ได้บวชการก็เป็นทิศเหมือนกันนะถ้าเห็นภายในสังสารวัตรใช้คําให้ดีนะเห็นภายในสังสาระ สังสาระเป็นชื่อของขันธาตุอายตนะที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องก็เห็นโทษในกรรมวัดวิปากวัิและกิเลสวัดลองมาทำความพาใจกันดูนะมาเห็นภัยนี่เห็นใค่ไหนก็บอกว่าถ้าโดยพระสูตรก็บอกว่าถ้าเห็นภัยในรูปขันเห็นรูปขันเหมือนกับอะไรนะทบทวนนะที่คุ้นเคยกันนะเหมือนฟองน้าเห็นเวทนาขันเหมือน ต่ำน้ำเห็นสัญญาขันเหมือนพยับแดดสังขารขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนมายากนี่นันยหนึ่งอีกนหนึ่งรูปประขันเหมือนโรงพยาบาล น, นะเวทนาขันเหมือนความป่วยไข้สัญญาขันเหมือนสมุดฐานแห่งความป่วยไข้สังขารขันเหมือนอาหารสแสลงวิญญาณขันเหมือนคนไข้ ไม่นะรูปประคันเหมือนโรงพยาบาลเมื่อไรเห็นโรงพยาบาลนั้นนึกเลยเออนี่แหละรูปประคันอย่างนี้แหละวิญญาณขันเหมือนคนไข้เวทนาขันเหมือนความไข้สัญญาขันเหมือนอาหารแสลงสังขารขัน ah 4, เหมือนเออสัญญาขันนี่เหมือนสมุธฐานของความไข้สังขารขันเหมือนอาหารแสลงงั้นนะมหาภูตรูปสี่เหมือน อักษรพิษทั้งสี่เห็นขันทั้งห้าเหมือนเพชรขาดสรุปโดยรวมๆก็ขันห้าเป็นเหมือนเพชรขาดเห็นอายตนาภายในเหมือนเรือนว่างอายตนาภายนอกเหมือนโจรปล้นเออชักเขา่เขาแล้วนะอะไรอีกเห็นกรรมวัตเหมือนพระราชาพระราชานะพระราชาผู้สั่งลงโทษเหมั้นกรรมวัตเหมือนพระราชา วิปากวัตรเหมือนคนทุที่ถูกลงโทษแบบนั้นนะกิเลสวัตรเหมือนอะไรไม่ทราบไม่รู้ก็มวไปคิดก่อนไม่ใช่ไปคิดไปค้นดูก่อนนะนะเผื่อจะนึกออกอาจารย์นึกออกไหมมาด้วยกันเผื่อจะช่วยกันได้บ้างกิเลสนะ <g ill et> นะเหมือนโซ่ตรวนรึเปล่าก็บอกว่าตัณหาเนี่ยนะกิเลสวัตรเนี่ยนะเหมือน เหมือนเพื่อนสนิทของเราอ่ะนะก็บอกว่าเพื่อนสนิทเนี่ยที่คอยมากระซิบอ่ะคอยมาบอกอกิเลสเนี่ยนะท่านท่านดูในอาสีวิสาสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายสลายตนาวะก้อที่บายลักษณะเพื่อนเพื่อนที่ใกล้ชิดอ่ะนะมาคอยคอยบอกคอยกระซิบอย่าไปเลยอยู่เตอ้อะไรพวกนี้แหล ะ, ะกิเลสพวกตัญหาเนี่ยจะกระซิบไว้อย่างนั้นะนะเห็นภัยนะเห็นภัยในสังสารวัฏจริงๆเลยนะ สาธุขอให้เห็นเห็นมากๆเป็นอนุปัสนาเลยเอ่อเห็นนี่เป็นชื่อของมิปัสสนานะเป็นชื่อของปัญญานะที่เห็นถ้าเห็นมากๆเรียกว่าเป็นการเจริญมิปัสสนานะเอ่อการเห็นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติใช่ไหยสัมมาทิฐิมีลักษณะเห็นนะเห็นแบบนี้มากๆเท่าไหร่ก็เป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่าภิกษุที่เห็นภายในสังสารวัฏแบบนี้เขาจะพึงถางชัดนี้ได้ อ่ะ น, นะมีคุณธรรมทั้งหมดที่ว่าไปนี่แหละจึงจะถางชัดคือตัณหาได้พวกคนโง่จะไปถางได้ยังไงนะคำว่าเขาจะพึงถางชัดนี้ได้คำว่าเขาเขาคื อ, คอภิกษุนะคือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยธรรมะหกอย่างมีคุณธรรมหกอย่างจึงจะถางชัดนี้ได้ธรรมะหกอย่างคือศีล หนึศีล ส, สองสมาธิปัญญาอีกสคือสหาชาติกะปัญญาปัญญาแรกเกิดเลย 2. วิปัสสนาปัญญาส า, าริหาริกะปัญญาปัญญาในการบริหารน่ะนะแล้วก็มีความเพียรมีสมาธิและมีความเพียรน่ะนะอย่างนี้แหละมีคุณธรรมหอย่าง จึงจะสามารถถางชัดนี้ได้ถ้าคุณธรรมทั้งหกอย่างไม่บริบูรณ์ถางชัดไม่ได้ท่านอุปมาว่าบุรุษยืนบนแผ่นดิน <c oughs> พึงยกษาตราที่รับดีแล้วขึ้นถางก่อผายใหญ่ได้ชื่อแม้ฉันใดภิกษุภิกษุคือผู้เห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะยืนอยู่บนพื้นดินคือศีล พึงใช้มือคือปาริหาริกะปัญญาปัญหาปัญญาในการบริหารเนี่ยนะที่อันกำลังหรือว่าอันกำลังอะนะคือความเพียรประคองไว้แล้วเนี่ยนะก็คือมีวิริยะอุปธรรมปัญญานั่นแหละยกศาสตราคือวิปัสนาปัญญาซึ่งรับได้ดีแล้วบนหินคือสมาธิฐานฐานคือตัด ได้แก่ทำลายซึ่งชัดคือตันหาที่ตกไปในสันดานของตนนั้นแม้ทั้งหมดได้ช น, นั้นมื้นกันในขณะแห่งมรรคภิกษุนี้ชื่อว่ากำลังถางซึ่งชัดนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นขณะใดถางขณะนั้นขณะแห่งผลชื่อว่าถางชัดเรียบร้อยแล้วนน อ, นอรหัตตาผลนั่แหละถางเสร็จเรียบร้อยแต่ที่น่าสังเกตว่า <c oughs> ปัญญานี้เป็นธรรมชาติคมด้วยคุณคือสมาธินะถ้าหากว่าคนที่ขาดสมาธิปัญญาก็ไม่ค่อยคมแม้แต่พระพุทธพจน์ยังตรัสว่าสมาหิตยธาภูตังปชาาตาิผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงถ้าหากว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิก็คงยากเพราะฉะนั้นถ้าถางชัดแล้วก็จะเป็นอัครทักษิณยบุคคลแห่งโลกพร้อมทั้งเทวดา สรุปแล้วนะเป็นเนื้อนาบุญที่สูงสุดของโลกเลยนะฉันใครไปค้าบุญอะไรกับท่านเนี่ยทำมีวัตถุเข้าของเล็กน้อยไปปลูกไว้ในท่านเนี่ยโอ้สบายมีผลมากมายหาประมาณไม่ได้เขาบอกว่าภิกษุรูปใดบริโภคปัจจัยสี่ของชาวเวนแควน้นแล้วเข้าพระสมบัติโ อ, อ้อาหารของชาวเวนแคว้นเนี่ยนับว่ามีผลมากคําว่า มีผลไม่ใช่ผลน้อยๆนะนับว่าเป็นห่วงแห่งบุญว่างั้นท่อบุญท่อกุศลเลยแต่หาทาที่ไหนนะคนมีบุญนะจึงจะได้ทอีกันนะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเป็นต้นเนี่ยนะนระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงถางชัดนี้ได้นนนะนะ มันมีคุณธรรมมากมายขนาดนี้นะจึงจะถางชัดคือตัญหานี้ได้ซึ่งมันรกมันชัดชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกชัดทั้งในบริขารของตนบริขารของผู้อื่นในอัตภาพของตนในอัตภาพของผู้อื่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกในอารมณ์สูงและอารมณ์ต่าตั้งแต่รูปจนถึงธรรมอารมณ์ธรรมอารมณไหลมาหารูปกามาพบจนถึงอรูประพบอรูปประพบไหลมาหากามาพบสรุปแล้วนะ หาเหนื่อยอารมณ์ไหนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาบ้างตันหายังเป็นอารามณะปัจจัยของตันหาเลยก็บอกว่าตันหาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยตันหาเนี่ยแหละเกิดบอกเออตันหายังชอบตันหาเลยตันหายังเป็นอารามณะปัจจัยของตันหาเลยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของตันหาหมดทีนี้จะถ่ายถอนตันหาถ่ายถอนที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจของเออที่รักที่ชอบใจในโลก บุคคลเมื่อจะละตันหาก็ละที่นั่นแหละนะคำละนะประหานะประหานะมีมีห้านะคือแต่ทางข้าประหารวิขำพนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสัตที่ประหารและนิสรณะประหารถ้าหากว่าประหานะสําเร็จแล้วก็สบายแล้วะถ้าประหานะระดับโสดาบันก็ปิดอบายก่อนน่ะนะยิ้มอบายแล้วครั้นี้อบายนี่ไม่ต้องห่วงแล้ว บอกท่านมาจากทุกขตินะอย่างนี้ก็ไม่หนักใจแล้วปิดแล้วแต่นี่ไม่ใช่ที่ยังเลยนะ <c oughs> ต้องรีบเพียรเพียรให้เยอะๆหน่อยนะมานรกมันร้อนเหลือเกินไม่เชื่ออย่าไปเน้ อ, <c oughs> อ น, นะนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ย ว, <c oughs> ส, วส่วนเนื้อหาอย่างอื่นๆนี่ก็คงจากขยายวันหลังแต่ว่าข้อความที่กล่าวไว้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือให้เห็นถึงศีลสมาธิปัญญา ที่เกิดโดยลําดับเนี่ยนะซึ่งซึ่งคุณธรรมเหล่านี้แสดงพร้อมกันเลยอั้นในคาถานี้เป็นข้อคำทั้งในขณะโลกุตระและขณะโลกิยะด้วยนะในในคาถาศีเลปฏิทายะเนี่ยนะนับตั้งแต่ชั้นโลกิยะถึงโลกุตระหมดเพราะฉะนั้นถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยนะสรุปลงอริยศาสตร์ได้นะศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นมัคคสัชตชัดเป็นชื่อของ สมุทัยสัตว์เนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยทางสมุทยัยสัตว์นะนะเพราะคนที่จะทางสัจจะเราทางสมุทัยสัตว์ได้เนี่ยนะเขาจะต้องรู้อะไรรู้ว่าตัณหาจะเกิดเกิดที่ใดเขาจึงจะสะสางในที่นั้นเนี่ยนะสะสางในอารมณ์นั้นๆไป ถ้าสาสังสําเร็จก็สา ม, มารถที่จะยั่งถึงธรรมะ ท, ที่ไม่ตายเนี่ยนะเรียกว่าอามตะธรรม